จะมาฟังฟังเพลงลูกกรุงกันบ้างนะคะว่านักร้องท่านนี้เนี่ยเป็นศิลปินแห่งชาติและก็เป็นผู้รีเริ่มสร้างสรรค์เพลงสะดุดีมหาราชาซึ่งส่งผลให้ท่านเนี่ยได้รับรางวัลกิติคุณสัมพันธ์สั่งเงินสาขาใช้สินสร้างสารรค์ให้เกิดความรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ ท่านนี้นะคะก็คือคุณชรินนันทนาคอนนั่นเองค่ะชื่อเดิมนะคะคือคุณชรินงามเมืองแต่ปัจจุบันเนี่ยนะคะก็มีคู่สมรสแล้วนะคะนั่นก็คือคุณเพชรชราชวราฐประวัติเนี่ยนะคะเดิมเนี่ยคุณชรินเนี่ยชื่อเดิมเลยค่ะเดิมเลยชื่อบุญใหม่งามเมืองศึกษาที่โรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลายัยจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ มาเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญพานิชยาการกรุงเทพเริ่มฝึกหัดร้องเพลงกับครูสลายไกรเลิศและเริ่มร้องเพลงสลับกับละครเวทีในช่วงนั้นและหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ย้ายกลับไปทำงานที่บริษัทกโมูลสุโกโ ศ, โกโ ศ, โกโศน์นะคะสาขาเชียงใหม่แล้วก็เป็นเลขานุ ก, การกรมที่องค์การอยู่ซ่อม ผลงานเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับเขาและเป็นที่นิยมมากเช่นเรือนแพหยาดเพชรอาลัยรักธาตุทเทวีซึ่งทำให้โดยเฉพาะเพลงอารัยรักนะทำให้ท่านเนี่ยได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานและก็เป็นผู้กํากับผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ และภา พ, พยนต์ที่ออทำไรายได้สูงที่สุดคือแผ่นดินแม่แต่หลังจากนั้นก็เลิกทำหนังซนะงั้นอะเพราะว่าเบื่อต่อมานี่นะคะก็มีชีวิตคือได้ยึดอาชีพนักร้องมาตลอดและเพลงที่ใครๆจะได้ยินกันบ่อยก็คือเพลงเรือนแพหยาดเพชรผู้ชนะสิบทิศซึ่ง บอกได้เลยนะคะว่าคุณชรินเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยร้องเนี่ยมามากกว่าหมื่นครั้งได้และก็ได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงด้วยนะคะชีวิตส่วนตัวเนี่ยคุณชรินเนี่ยเดิมอ่ะสมรสครั้งแรกกับคุณสปันเทียนประสิทธิ์ซึ่งเป็นน้องสาวของภรรยาน้องสาวภรรยาของสุรัตโอสถานุเคราะห์ ซึ่งคุณชรินนัทสปันนี่ก็มีบุตรสาวสองคนนะคะแต่ต่อมาเนี่ยก็ได้หย่าขาดกับสปันแล้วก็มาสนรถใหม่กับเพชรชราชาวราชซึ่งก็คื อ, คอใครๆก็ทราบว่าวสมัยก่อนเธอสวยมากแต่ว่าตอนหลังก็ตาบอดสนิทเนาะผลงานนะคะการแสดงละครก็มีแต่เอาเป็นว่าวันนี้เราจะมาฟังบทเพลงเพราะๆของคุณชรินนันทนาครกันก็คือ เพลงเรือนแพและเดี๋ยวขอดูเวลาก่อนนะว่าจะสามารถเปิดเพลงหยาดเพชรให้ท่านผู้ฟังได้ฟังได้ด้วยหรือเปล่าเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ไปติดตามฟังผลงานเพลงของคุณชารินนันทนาครกันนะคะแต่ก่อนจะไปฟังเพลงเรือนแพฝากรายการแฉหมดเปลือกซึ่งดีเจแอก็จัดรายการอยู่และก็มาพบกับท่านผู้ฟังแบบนี้ทุกๆวัน จะมีประวัติของนักร้องลูกทุง่งนักร้องลูกกล u n ทั้งใหม่และเก่าให้ท่านได้ติดตามฟังและก็ฟังผลงานผลงานเพลงดังๆของเขาด้วยเอาละค่ะวันนี้ไปฟังแก้วเสียงคุณภาพจากศิลปินแห่งชาติเพลงเรือนแพกันค่ะ ฟังถึงงาวางหรือใจรำพังยู่หรืออิ่มก็อิ่มพอกันชีวิตกลางน้ำสุขสรร รัตนามาสลีพรค่ะค่ะอยู่บา้านเลขที่เท่าไหร่คะหนึ่งห้าห้าทับสามค่ะหมู่สองค่ะตำบลตำบลเก้า เ, ล, เ 9, ลียวจังหวัดนครสวรรค์อ่าอำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสระบ้ค่ ะ, ะค่ะค่ะคุณรัตนาคะก่อน<ะ>หน้าที่จะมารู้จักกับมูลไกรนี่เป็นอะไรมาคะปวดขาค่ะ ปวดขาปวดเข่านี่นะปวดหลังนี่เนี่ยแบบมันเดินไม่ได้เลยอเดินไม่ได้เลยนะเแล้วเวลาต้องเวลาจะลุกทึต้องยันน่ะเราพอดีได้ฟังอยู่บ้าหลายมันเบาอยู่ว่าเป็นวันเดือนแล้วนะค่ะพอีมันมาฟังเห็นมาฟังฟังทำพลาดเห็นทำพลาดทำพลาดอยู่เลยก็ลองลองกินลองลองกินดูเพือโทรมาหาโทรมาสั่งเลยพอกินแล้วมันก็เบาค่ะ กินแล้วค่อยยั่วซ้งหมดก็เดีก็ซื้อต่่งใหม่นะเออกินแล้วค่อยยั่วอันนี้ดีอะไรที่ดีขึ้น ด, ดีขึ้นแบบขาก็พอพอเดินได้จ้ะแต่ก็ยังเสียวๆอยูอ่ที่สั่งไปมันเป็นชุดเล็กนะน่ะค่ะแล้ ว, วคุณป้าอายุเท่าไหร่คะหกสิบจ้ะหกสิบเวลาที่เดินไม่ได้หรือว่าเดินแล้วเสียวขาเนี่ย ค่ะแล้วคุณป้ามองว่าราคาเป็นยังไงพอได้ไหมไดไม้ไม่แซงเลยหมดแซงหมดได้เลยเนะี่ยกินกินกินได้เลยเนี่ยดีดีอืมค่ะูกเดี๋ยวขอเล<ะ>ือกลูกสาวหน่อยได้ไหมคะไ ด, ได้จ้ะกวางอ่ฮะฮะัลโหลค่ะค่ะค่ะเออคุณน้องนี่เป็นลูกสาวของคุณรัตนาใช่ไหมคะค่ะเป็นลูกสาวจ้ะอ่าถามนิดนึงนะคะ ชื่อชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อกวางจ้ะอ่าชื่อคุณกวางนะคะคุณกวางคะเอ่อก่อนหน้าที่คุณแม่จะมาใช้มุนไบรท์เนี่ยเห็นบอกว่าอาการแย่มากเลยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเขาเดินไม่ค่อยได้แล้วที่บ้านมีหลานเล็กด้วยมีลูกเล็กค่ะเขาก็เดินจับหลานไม่ทันไม่ได่เดินไม่เดินเลยเขาก็ได้แต่เรียก<อ>แล้วที่เขาก็เวลาจะไปไหนต้อง เอาโตมาให้ตัวหนึ่งแล้วค่อยๆจับแล้วก็ค่อยๆลุกแล้วเดินไปไกลก็ไม่ไหวเขาแล้ว <ใน S 2> เวลาจะเดินไปไหนต้องมีคนเกาะคนหนึ่งแล้วพอกินยามูนไปแล้วเขาก็บอกว่าเขาดีขึ้นขาแข็งเขาเดินได้ไกลขึ้นเดินได้เลยจะเดินจ ะ, จะต้องพึ่งคนอื่นตลอดถูกไหมใช่จ้ะเดี๋ยวนี้เดินได้ด้วยตัวของเขาเอง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 เดี๋ยวเอาชุดใหญ่เลยเพราะว่าไม่อยากให้หมดอีกให้ เ, เขา<ะ>ดีขึ้นแล้วก็อะไรที่ดีก็อยากให้เขากินค่ ะ, ะแล้วคุณกวามมีอะไรจะฝากกับท่านผู้ฟังวิทยุไหมคือบางคนเนี่ยเขาสั่งมาเยอะลองมาหลายอย่างแล้วแล้วก็เป็นแบบคุณแม่แต่ไม่ดีขึ้นกลัวว่าสั่งของมูลไบรท์ไปเนี่ยทานแล้วมันก็เหมือนเหมือนกันมันก็ไม่ดีหรอก คุณกวางมีอะไรจะบอกเขาอ่ะคะก็ช่วงแรกอะค่ะเหมือนยาขับตอนแรกหนูก็ว่าตอนแรกเหมือนเขาจะไม่หายเหมือนกันนะคะแต่หอกินไปได้สองวันเขาก็ดีขึ้นเลยนะเหมือนขบาบสารพิษออกจากร่างกาย อ, ะ อ, อ่ะฝากท่านผู้ฟังไว้เลยนะคะบางคนเนี่ยใช้ของมูลไรท์ไปช่วงแรกมันจะมีอาการหลากหลายบางคนสารพิษในตัวเยอะเขาก็จะหมดแรงคือหมานก่าว่า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 แต่กินของมูนไบแล้วเขาดีขึ้ น, นะ ค, ะค่ะอืมค่ะค่ะทางรายการมูลไรบนะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณรัตนามาศิริพรและลูกสาวคือคุณกวางนะค ะ, คะที่อยู่ตำบลเก้าเหลียวอำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์ น, นะคะขอบคุณมากค่ะที่มาบอกเล่าเก้าสิบให้ฟังนะคะค่ ะ, คะขอบคุณค่ ะ, อะขอบคุณนะคะค่ะค่ะอะขับรถอยู่หรือเปล่าคะว่าแต่เมื่อย่ะ ปวดหลังหรือเปล่านั้นแน่ระวังจะชาเท้านะจ๊ะหากอยู่ท่าเดิมนานๆนานจนมื้ยขาปวดหลังชามือชาเท้าหัวเข่าดังกร๊อบกร๊ับไมเกรนขึ้นหัวกระดูกทับเส้นอย่าลืม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 เดี๋ยวเรามาฟังตัวจริงเสียงจริงของคุณวิเชียนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะให้คุณวิเชียนแนะนำชื่อนามส ก, กุลและที่อยู่ค่ะผมชื่อวิเชียนนายวิเชียนสาราลักษ์อยู่บ้านเลขที่สามสามแปดทับแปดหมู่สามสามแปดทับสามค่ะมุมสี่ตะบนเก้าเลี้ยวเพละเข้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์ครับ ค่ะหมู่สี่ตะ บ, บนเก้าเหลียวอำเภอเก้าเหลียวนครสวรรค์นะคะครับคุณวิเชียนคะก่อนหน้าที่จะมารู้จักกมูลไบรท์เห็นบอกว่าแฟนเป็นไมเกรนแล้วเป็นอะไรอีกคะภูมิแพ้ค่ะเป็นภูมิแพ้ไมเกรนแล้วก็ปวดปวดในกระดูกตามร่างกายแฟนเป็นมานานกี่ปีะคะโอ้หลายปีครับประมาณส5่ห้าปีเนี่ย อืมค่ะแล้วเวลาแบบปวดขึ้นมาทีนี่เป็นยังไงคะก็แบบว่ามันมันปวดมากครับเดิน <Okay. S 2> ไม่มีแรงเดินอ่อนเพริ tier, เดินไปไหนไกลๆ ก, ก็ไม่ค่อยได้หิววิวน้ำกินเนี่ยขันใหญ่ๆก็ทนะิ้วไปได้ยกแค่วปวดแขนยกแขนไม่ค่อยขึ้นงนั้นนะ่ะคือเรียก ว, ว่าเป็นหนักเนาะครับแล้วก็เป็น แล้วเคยหาวิธีการรักษามาก่อนหน้านี้ไหมคะเคยครับที่โรงพยาบาลก็ไปแล้วก็ยาเคยกินหลายขนานั้นตอนแต่ว่ามันก็ไม่ไม่ดีขึ้นนะครับทีนี้มาฟังมุนไบาจากทางวิทยุเนี่ยก็รยาชาคล้ายแฟนผมเป็นอย่างน่นะ้ฟังดูแลก็เลยเลยสั่งชุดใหญ่มาเนี่ยเมื่อวันได้เจ็ดวันตันนี้แหละครับค่ะ<อ>แล้วพอเริ่มทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะ ก็ตอนนี้ก็มีอาการไมเกรนก็ดีขึ้นนะะไม่ปวดหัวตั้ไหล่ยปวดีว่ามากดีมากเลยลนะ่ะแล้วก็ภูมิแพ้ตอนเช้าเนี่ยเขาจะจามแล้วจะมีน้ํามูกไหลออกมาเยอะอย่างนั้นอนะ่ะต้องใช้ใช้สมัครอยู่ตลอดนะค่ ะ, ะแต่ก็ก็ดีขึ้นนะครับภูมิแพ้นะอืมค่ะแล้วเห็นบอกว่าแบบใช้น้ํามันเยอะมากเลยเหรอคะแล้วประทับใจในน้ํามันครับเพราะว่าเพราะมันปวดตามหาัวไหล ตามขาตามสะโพก<อ>แล้วก็น่องไปที่ปลายชปลายเท้าอ่ะค่ะอ่าพอทาแล้วก็ดีขึ้นใช่ไหมคะอ่า ก, ก็ก็ดีขึ้นอ่ะแต่ที่เนื้อน้ำมันมันเหลือนิดเดียวก็จะหมดแล้วก็เลยสั่งต่อค่ะค่ะอ่าเดี๋ย ว, วาทางทางเราขอคุยกับแฟนคุณพี่หน่อยค่ะอ๋อได้ค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะ คุณพี่คะเดี๋ยวมูลไบ์นะคะขอทำความรู้จักกับคุณพี่หน่อยคะ่ะให้แนะนำชื่อนามสกุลเลยคะ่ะอ่าจันชื่อลังแดงสอนคลังอเห็นบอกว่า<ม>เป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นแบบไมเกรนเป็นอะไรเยอะมาสี่ปีและะ้วค่ะปวดปวดหัวมากแล้วปวดหัวข้างเดียวค่ะตอนนั้นก็เริ่มเบาแล้วแล้วก็มันมีอาการจามเช้ามดืดประมาณพ้ตื ม, มาตีสี่ห้าน้ำมูกใสๆมันจะไหลหยดเลยอะ่ะ อือมจามแต่พออากาศถล่สายประมาณตั้งเจ็ดโมงเช้ามันก็หายอืมค่ะถ้าเป็นอยู่แนี้จะเป็นมาหลายปีแล้วอืมค่ะถ้เบา้าเบาจามเน้อเบาจามแล้วก็น้ำมูกก็ไหลน้อยลงอือค่ะแล้วอาการปวดหัวไมเกรนนี่คือใช้น้ำมันมุนไบร์แล้วดีขึ้นหรอคะเล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะมันก็ยังมันก็เบาปวดไปหน่อยมันก็ยังดนนานปวด ห่างออกไปราคาเขาก็ไม่แพงแล้วน้องคนดินดานก็ถ้าเรากินถูกเงินไม่แพงหรอก่าสำหรับแต่ก็ดีกว่าตัวเองที่กินกินมาแต่ลงาบาลต้ารักษ า, าตลอดเพราะที่เป็นเบาหวานด้วยอืมค่ะอ๋อค่ะแล้วคืออืมค่ะแล้วคนที่เ อ, อ่อมีอะไรจะฝากกับท่านผู้ฟังไหมคือบางคนเนี่ยฟังฟังอยู่เขาไม่ค่อยมั่นใจนะเพราะว่าโดนมาเยอะ เจ็บมาเยอะเราก็ไม่อยากจะลองอะไรอีกแล้วก็เลยไม่กล้าลองอกับมูนไบค่ะแต่จะก็อยากจะให้อ่าอยากจะให้ใช้ของมูลไบตัวนี้เนาะที่เขากินเขาก็หายกันเยอะอันนี้มาลองกินแค่หกวันมันก็รู้สึกเบาขึ้นน่ะก็คิดว่าดีกว่าตัวอื่นน่ะจ้าอยากให้คนที่เขารับฟังอะ่ะให้ไปใช้ตัวนี้ไม่หลอกครั <c oughs> บคนใช้ได้ของได้หกวันเนี่ยไม่หลอกจ้าเห็นก็ได้นั่งฟังแค่กวันเนี่ย นีองก็ปวดนี่ตอนที่ไม่จังเพราะว่าตอนนี้มีงมมเงินแต่นั่งรับจ้างร้อยเมน็ดกินในวันวันหนึ่งเนี่ยไม่เสี่ยว่าดูได้เลยว้าวหัวหมูสี่เก้าเลี้ยวจ้ะทางรายการมูลไนท์นะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณวิเชียรและภรรยาที่วันนี้ได้มาบอกเล่าเก้าสิบนะคะถึงความประทับใจในผลิตภัณฑ์ของมูลไนท์ขอบคุณมากค่ะว้าขอบคุณท่านสวัสดีจ้าทนปวดอยู่ทําไม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 เพชรอย า, จากจะฟาดรวงลงมาฟาดหงไว้วันดวงดาวกอพลอยเศร้าโศกสันมิอาจกันน้ำตาไหลเอื้อมมือควาา้าอยากเพชร เหลือรักแล้วจึงฝันฝันอยากเห็ดอยากละอองพองใสแม่อยู่ในความมืดมน อยก็ดแก้วเหลอือรักแล้วจึงฝันไปอยากเห็ดอยากละอองพงใสมื่ อ, อยู่ในความมืดมน เดี๋ยวเรามาฟังตัวจริงเสียงจริงของคุณพี่กุลพูลเกษมกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาให้คุณป้าแนะนําชื่อนามสกุลแล้วก็ที่อยู่ค่ะพี่กุลพูนเกษมค่ะมานเลขที่สามสิบหกหมู่สี่เก้าเลี 3, 6, 4, 9, เ้ยวค่ะตาบลเก้าเลี้ยวอําเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่ะคุณพี่กุลเนี่ยรู้จักกับมูลไรท์ผ่านทางใครคะ<อ>ฟังวิญญาประจําค่ะ อ๋อแล้วมีน้องสาวน้องสะพน้องสาวเขาสั่งซื้อด้วยน้องสะพาสั่งซื้อด้วยอ่าน้องสะพายก็คือคุณสุกัญญาบุญแฝงถูกไหมคะค่ะใช่ค่ะค่ะอะคุณสุกัญญาเนี่ยเดิมเพอมาการที่เคยสัมภาษณ์ไปก็คือเป็นเบาหวานแล้วก็ตึงขามากอันนี้ก็หายแล้วก็เลยในรัมคุณพี่กุลเขากินร่วมกับแฟนเขาอะอืมค่ะเออแฟนก็เป็นไมเกรนเขาก็หาย ค่ะอกินรุ่งกับแฟนแฟนไมไม่เกงก็หายแล้ ว, ลวทีนี้คุณพี่กลนเป็นอะไรมาถึงได้สนใจมาใช้มุนไบจ๊ะก็เนี่ ย, ยมันปวดเบนเน็ตไปลงไปขานะนะมันมันกินแล้วมันหายอะ่ะที่รู้ที่แรกปวดเหมือนมันขับอนะพอว่าได้ตักอาทิตย์นึ่งเบาเริ่มเบาอืที่บอกว่าปวดเนี่ยเห็นบอกว่าปวดฝั่งซ้ายทั้งซีกเลยเหรอคะเออทั้งซีกเลย ปวดตั้งแต่ขา เ, เน็บลงขาขาบางทีก้าวจะไม่ออกเพราะได้กินมูนไบรทไปนค่อยคงชั่วแล้วเคยรักษามาก่อนหน้านี้ไหมไม่เคยแล้วก็ทีปวดมากก็กินพาราอะไรเงี้ยอ๋อก็ก็กยังดีก็ปวดมากก็กินพาราก็ทนท น, ทนเอาแล้วก็พอมารู้จักกมูลไบรท์ <c oughs> ก็เบาขึ้นเลยใช่ยานมดกจดีเนะี่ย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 ใครอยากขายเมื่อยหายปวดกนลองลองดูได้อะของลองดูได้อะมันไม่เสียหายอะ่ะแค่นี้เองโหเราล่ า, างกายเราดีเงินแค่นี้หาได้เนาะค่ะใช้แล้วก็เบาปวดหายเมื่อยและเห็นบอกว่าเออทางแฟนของคุณสุกัญญาเขาก็ปวดเมื่อยก็กินเป็นมาไมเกรนก็หายใช่ไหม ห, หายหายเขากินกินหายเลยกินหายเลยอือค่ะ <c oughs> <c oughs> ราคาเป็นไงแพงไปไหมถ้าเกิดเราหายอย่างเงี้ยโอ้ยไม่แพงเนาะจีนตั้งหลายวันอะ่ะกินตั้งเดือนกว่าเนาะคุ้มคุ้มราคาเนี่ยเอสินค้าราคาเล่นหวยงวดหนึ่งพันกว่าบาทเล่นได้โออจริงนะบางคนเนี่ย <c oughs> เล่นหวยงวนึ่งพันกว่าบาทแพงกว่านี้โอ้ยยังเล่นได้ <c oughs> แล้วเดี๋ยวมันมีจุดที่น่าสนใจสําหรับท่านผู้ฟังอ่ะค่ะคือบาง <c oughs> คนเนะ่ะ ตอนนี้กำลังฟังวิทยุอยู่แหละแล้วเขาใช้มูนไบไปแล้วแต่เขาบอกว่าหมันปวดมากแลยปวดจัดเลยอ่ะโอ้ยนี้แรกปวดมากปวดมากแบบเดินไม่ไหวเลยอะเขาบอกว่าปวดจนจะทิ้งแล้วไม่ใช้เลยอ่ะอืมทนอดทนเอาไงเขาปวดมากๆก็กินพาราสองเม็ดตึ้งเดี๋ยวแกปวดอ่มันก็เบาครั้นี้ก็เราก็กินเลยล้วไม่ทิ้งอด d อมจะบอกกับทุกท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ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 ค่ะทางรายการบุญรายนะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณพี่พกุลภูลเกษมนะคะเพื่อาการเดิมก็คือปวดกระเบนเน็บฝั่งซ้ายทั้งหมดแล้วก็ตึงลำบากทํางานแล้วก็ลำบากเดี๋ยวนี้หายหมดแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะค่ ะ, คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ ะ, คะทนปวดอยู่ทําไม ต้องจ่ายเท่าไรถึงจะพอจะดีกว่าไหมถ้าหายปวดเบาตัวในชุดแรกที่ใช้ถ้าใช่ชุดน้มันมูลไรคือคำตอบสอบถามได้ที่เบอร์0813946977ยำ้ำ0813946977 มาฟังตัวจริงเสียงจริงของคุณสุภาพถามอนกันค่ะจ้าชื่อสุภาพถามอนบัตรเลขที่4หมู่6ตําบลยางตาอาเภอกุพะจังหวัดนครสวรรค์จ้ะอ่าหมู่6ตําบลยางตาใช่กรุพระจังหวัดนครสวรรค์นะคะจ้ า, าก่อนหน้านี้พี่สุภาพเป็นอะไรมาเล่าให้พวกเราฟังหน่อยค่ะตอนแรกไม่เป็นพอพี่เป็นรถล้มไงรถขับรถไปทํางานแล้วรถล้ม พี่ก็จะแบบเข่าบวมบวมมากเลยแหละถึงก็ต้องไปดูดน้ําอ่ะอเออไปแต่จะไปโรงพยาบาล น, นะโรงพยาบาลเอกนชนเลยไปเดี๋ยวเอายามากินพี่ก็ปวดอนะปวดทนไม่ไหวก็เลยออกงานก็เลยไม่ได้ทํางานอยู่บ้านได้เฉยไงค่ะแล้วเออประมาณเกือบสามปีนะที่เป็นเนี่ยแล้วที่เห็นบอกว่าเป็นนิ้วล็อกแล้วก็ปวดหัดนอนแล้วก็ปวดแบบเหมือนกับว่ามืนมือหัวด้วยเหรอคะ ใช้เลยมึนซึ๊งอะไรอย่างนั้นอ่ะอืมค่ะเป็นอย่างนี้คือไม่ว่าจะเป็นอาการหัวเข่าบวมมีน้ำํำใช่แล้วก็ที่เกิดจากรถล้มมีอาการนิ้วล็อกมือใช่เลยเป็นอย่างนี้มาสามปีเกือบสามปีเลยแหละค่ะสารพัดยาเต็มบ้านหมดตอนนี้เก็บทิ้งหมดเลยทุกวันนี้ไม่มียานอกเลยพ่อโกงๆเก็บทิ้งขยะหมดอืม ค่ะแล้วคุณพี่สุภาพเนี่ยคือเวลาเป็นทีเนี่ยก็คงจะทรมาน่ะนะโอ้โหเข่าปวดมากมและบ้านเป็นบ้านสองชั้นเนา ะ, ะไม่อยากขึ้นน่ะขึ้นทีต้องจับไอ้ราวพีนไดแล้วค่อยๆจับเข่าด้วยอจับข่าขึ้นแล้วข้างบนบ้านจะเป็นแบบมืนชักโครกข้างล่างเป็นแบบนั่งธรรมดาเวลาลุกปุ๊บต้องจับจับถังน้ําเลย และตอนนี้รู้ไหมบอกพี่สาวข้างบ้านเลยบอกเฮ้ยนั่ง <c oughs> นั่งแล้วลุกพุดเลยได้แบบนั่งแล้วลุกได้เลยอ่ะอืมแสดงว่าพี่สุภาพเนี่ยก็คือสั่งมูลไบรท์เขาไปลองก<ช>่อนชุดหนึ่งลองชุดเล็กใช่แล้วปรา<ช>กฏว่าเป็นยังไงบ้างคะหลังจากลองไปแล้วหลับห <c oughs> ลับดีหลับดีมากออหลับดีเลยแหละยอมรับว่าหลับดีถาม่เอ๊ะทไมหลับดีจังเนาะอ่า หลับมันก็ ม, มาก<ง>แล้วการนิ้วลองอาการทีไไ่ไม่มีเลยปวดมีไหมไม่มีเลยไม่ปวดไม่ปวดแต่จะไม้ขาเลยนะแบบโอ้โหออกกำลังกายได้แบบยกขึ้นยกลงแบบเขาขำกั น, น่ะพี่พี่เราบ้านนะขำกันใหญ่แล้วพี่บ้านพี่จะขายของไงร้านมากรุงเทพเพีงซื้อที่ใส่ที่สวมเข่ะสองชุดสามชุดซื้อมาให้นะชุดละเจ็ดร้อยบางพันไม่ไม่มีความหมายอืม เออตอนนี้ถอดเลยไม่ได้ใส่ด้วยซ้ำเลยน่ะอ๋อแสดงว่าเดี๋ยวนี้ก็คือถ้านั่งโถแบบยองๆก็ลุกขึ้นได้เลยไม่ต้องคอยเกาะพุทธเลยไม่ต้อง่อยไม่ต้องขังนไม่ไม่เลยแล้วก็เดินลงจากบันไดก็ไม่ต้องมันนาะนั่งคอยสายเราบันไดเหมือนแต่ก่อนแล้วเมื่อก่อนนะตอนพี่นอนปุ๊บตื่นมาตเช้าตีห้าครึ่งพี่จะลุกสายตีห้าครึ่งวไม่ได้ทําอะไรใช่ไหมค่ะช่วงตรงที่ออกจาก พี่นอนเนาะค่ะใช่พี่จะนั่งก่อนนะก่อนที่จะออกมาตอนยังไม่ได้ทันนะเต่มันหนักตาแล้วก็เวียนหัวตลอดอะไม่ล้นเป็นเพราะอะไรไปเช็คก็ไม่มีเบาหวานนี่ก็ไม่มีนะมีเช็คตลอดค่ะแต่ว่าตอนนี้คืออาการที่เคยมีทั้งหมดมันหายไปหมดแล้วดีขึ้นหกวันเองนะหกวันเองนะเนี่ย พ, พี่จดเลยจดปฏิทินไว้เลยนะ แล้วพี่สุภาพมองว่าผลิตภัณฑ์ของมูลไนท์อ่ะเป็นยังไงคือเมื่อเทียบกับสิ่งที่ตัวเองดีขึ้นนะกับสิ่งที่ไหนไปอ่ะคะ่ะใช่ดีเลยแหละพี่ยอมรับลูกชายเนี่ยมาถามเลยเหรคะบอกอยแม่วันนี้แหละมากรุงเทพใช่บอกแม่เป็นไปกินอะไรมาทําไมถึงดีขึ้นตีพราะแม่อยู่บ้านไม่ได้ทําอะไรไงไม่ให้ทําอะไรเลยไงอายุห้าสิบหกตอนนี้นะค่ะ แล้วก็แฟนก็เพิ่งปวดกระเซียนก็<ฆ>ลเลยเอาน้ำมันลงให้เขาเขาบอกเขาปวดหลังมากค<ฆ>่ะน้องเขาปวดหละ่ะก็เอาน้ำมันเขาอ่ะเขาบอกอยังไงรู้ปะเขาบอกโอ้โหดีจังร้อนดีจังส่วนพี่สาวที่ว่าไม่ดีจังไม่แอ บ, บลักเอาไปใช้สองครอบเราต้องเอาซ่อนเลวตอนนี้เขาบอดีจังเลยเออเหรอซ่อนนะซ่อนนะตอนนี้อ๋อต้องซ่อนน้ำมันกันเพราะว่าเกิดกันแยงใช้ระหว่างตัวเองกับพี่สาวเพามาที่ไรเนาะบ้านติดกันไง เขจะอยู่หน้าบ้านเขจะเดินมาเขาบอกโหไหนขอดูซิรถถาวเฮ้ยดีจังเนี่ยยากสั่งมาเลยเลยก็แสดงว่าคือทั้งน้ํามันเนี่ยใช้ได้ดีทั้งตัวคุณสุภาพเองทั้งสามีแล้วก็ทั้งพี่สาวคือทุกคนใช้น้ํามันแล้วพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าดีเลยแหละว่าดีค่ะใช้ได้ผลดีจนค้งข้างบ้านก็อยากจะใช้ด้วยเอาละค่ะทางรายการมูนไบร์นะคะต้องขอขอบคุณพี่สุภาพถามอนนะคะ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 สั่งชุดน้ำมันมูลไบรท์ชุดใหญ่รับของแถมฟรีชุดใหญ่เท่านั้นที่มีของแถม จมีหัวใจคือเขาเดลาติดแค่เพียงหน้าตาไอ้มันบอดีถ้าแม้ว่าเลือกเกิดได้คงบ่มีพยาเกิดมาพูให้จังสีส อ, อนคนหน้าตาดีมีทางเลือกหลาย ถ้าสิบปีที่วิตของอายก็ส้ำคุณสร้างมีแต่โตกับใจห่างๆที่มันหาจริงก็บอกคือคนแพ้คนรลอคนที่บ่พอสลอเรื่องผู้หญิงถ้าถามถึงความหาจริงได้แค่ อ, อายอยู่บ่ คุณสร้างจังอ้ยก็มีหัวใจอายน้ำตาไหลา ย, ยามถึกเจ้าจิม้องคลองคุณสร้างบอกเคยนอกใจวันทองแล้วคุณแทนของนอ้องเหตุใดคืออายอยู่บ่ ที่ขึองอายอยู่บอ่อคุณสร้างจังอายก็มีหัวใจอายน้ำตาลาลยามถือเจ้าทิ่ม้ลงคลองคุณสร้างบอกเคยทอดทิ้งวันทองแล้วคุณแผนของนอ้อง พักได้คืออ้ายอยู่บ่คุณสั่งบอกเคยนอกใ้วันทอมแล้วคุณแทนของนอ้องเหตุด้คืออ้ายอยู่บ่ ทำไมบางคนถึงเดินโยกซ้ายโยกขวาเคยเห็นไหมคะบางคนเนี่ยเดินคือเขาก็ไม่ได้อยากให้เดินโยกซ้ายโยกขวานะะแต่เขาบอกเวลาเดินเนี่ยมันเป็นไปเองโดยอัตโนมัตินะคะสาเหตุที่ทําให้เดินโยกซ้ายโยกขวาเนี่ยเกิดจากเส้นสะโพกยึดนะคะคือดิฉันจะบอกสักนิดนึงนะคะว่าเส้นสะโพกเนี่ยถ้าหากว่ามันมันยึดมันจมนะคะมันจับก้อนเนี่ย ถ้าเป็นข้างเดียวคนไข้ก็จะเดินเฉยๆนะคะแต่ถ้าเป็นสองข้างเนี่ยก็จะทำให้เดินโยกซ้ายโยกขวานะ่ะวิธีแก้นะคะให้ซื้อน้ามันสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยของมูนไบเนี่ยทาตั้งแต่สะโพกนะคะแล้วก็แผ่นหลังนะะเส้นเลาะข้างกระดูกหลังเนี่ยมันจมหมดแล้วนะคะให้ทาน้ามันสมุนไพรแก้ปวดเมื่อมูนไบตรงนั้นนะคะแล้วก็ทาเส้นสะโพกนะคะ เพราะาเส้นสะโพกเนี่ยมันจับก้อนแล้วมันก็ดึงนะคะดึงให้เส้นข้างขาเนี่ยรั้งด้วยนะคะแล้วก็เส้นใต้ท้องขาให้ทาหมดเลยนะคะแล้วก็รับประทานอาหารเสริมแก้เส้นของมูลใบรวมทั้ง้างผลิตภัณฑ์ล้างหินปูนของมูลใบด้วยนะคะให้ใช้ร่วมกันเนี่ยอาการเดินโยกก็หายได้นะคะดิฉันมีคนไข้ห ล, ลายๆนะคะที่เดินโยกซ้ายโยกขวาเนี่ยพอรับประทาน อาหารเสริมแก้เส้นของมูลไบส์ร่วมกับการทาน้ํามันสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยมูลไบ้์และรับประทานผลิตภัณฑ์ร้างหินปูนของมูลไบ้์เนี่ยอาการเดินโยกซ้ายโยกขวาก็หายได้นะคะหากท่านใดมีปัญหาดังกล่าวลองมาสั่งซื้อกันดูนะคะได้ที่เบอร์0885453515หรือ081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 ศูนย์4 6ดหนึ่งสามเก้าสี่หกเก้าเจ็ดเจ็ดเดี๋ยวเรามาฟังตัวจริงเสียงจริงของคุณกาหลงโพพันธ์กันค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้ะเดี๋ยวให้คุณป้าแนะนำชื่อนามสกุลแล้วก็ที่อยู่ค่ะจ้าชื่อชื่อนางกาหลงโพพันธ์ค่ะชื่ออยู่บ้านเลขที่หนึ่งห้าหนึ่งมู่สองค่ะ ตำบลโคกเดืออำเภอไั่ารีจังหวัดนครสวรรค์ตำบลโคกเดืออำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์ น, นะคะจ้าค่ะคุณป้าคะเอ่ออาการก่อนที่จะมารู้จักกุมูลไา้คุณป้าเป็นอะไรมาคะปวดหลังปวดหลังและล้าวลงขาขวาค่ะเห็นบอกว่าเวลานอนเนี่ยนอนราบไม่ได้ต้องนั่งเพื่อให้หลับหรอคะจ้าถ้าเป็นถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยมัน ปวดถ้าปวดขึ้นมาแล้วต้องลุกนั่งเลยไม่ไม่นอนได้ต้องลุกนั่งก็ทั้งหายปวดแล้วถึงจะนอนได้แล้วไอ้ที่บอกว่าตอนกลางคืนนอนแบบคนปกติไม่ได้ลุกนั่งเนี่ยคือนั่งนั่งหลับเรียกง่ายงๆว่านั่งหลับเนี่ยมานานกี่ปีคะอาการเนี่ยอ๋อจะเกือบปีเป็นปีแหละเป็นปีกนนีน้ทรมานอนะนะนอนปกติไม่ได้ แล้วคุณป้าเนี่ยออพยายามรักษาหาหมอด้วยวิธีอื่นมาก่อนหน้านี้ไหมโอยไปไปเยอะใครว่าดีตรงไหนก็ไปแต่มันไม่หายเขาบอกว่าหมอไปไปเข้าอุมมงที่นครสวรรค์เขาบอกว่าเป็นหินปูนเกาะกระดูกต้นหลังค่ะอ่แล้วไป<อ>หาหมอม า, มาเยอะขนาดนั้นเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายไปเยอะไหม เยอะอืมเสียค่าใช้จ่ายไปเยอะนอะะแต่ก็ไม่หายไม่หายค่ะแล้วคุณป้ามารู้จักกับมูนไบรท์ได้ยังไงคะ อ, อ๋อฟังทางวิทยุอืมแล้วฟังทางวิทยุเนี่ยตอนแรกเนี่ย ต, ตัดสินใจซื้อเลยไหมหรือว่าฟังมานานสักพักก่อนก็ก็ไม่ตัดสินใจนะจนจนที่สาวในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็เขาก็ฟังแต่ น, นี้เขาบอกว่า ลองกินดูสิฟังแล้วมันเหมือนอาการที่มึงเป็นนะว่างี้เออก็เลยว่าเอ๊จะมันจะได้ผลหรือว่างั้นขนาดหาหมอมาทั่วอย่างไม่ดีว่างั้นอ๋อคือตอนแรกสั่งคือยังไม่กล้าสั่งฟังวิธียอยู่แต่ว่าไม่กล้าเพราะรู้สึกว่าเราหาหมอมาทั่วก็ไม่เคย ด, ดีขึ้นมุนไบต์มันจะช่วยฉันได้หรือวอ่างน้นใช่ตอนนี้คนคนนั้นเขาก็บอกอ่ะเขาฟังซิเขายังบอกว่ามีอาการมันอย่างโลกที่มึงเป็นนะว่างั้นบอกว่า ลองซื้อมากินสิมันก็ไม่ได้มากมายอะไรอนว่างอันนะมันก็ไม่ได้แพงใหญ่บางนะอืมก็ตอนแรกกินชุดเล็กก่อน<ฆ>ค่ะกินชุดเล็กแล้วมันก็ยังปวดอยู่นะเขาบอกว่าจะปวดก่อนไงในใน น, <ฆ><ฆ>นั้นนะัะค<ฆ>่ะ<ฆ>ตอนนี้ก็พอกินชุดเล็กแล้วมันยังปวดอยู่ก็ลองลอ ง, ลองสั่งอีกไหมตอนนี้สั่งชุดใหญ่อีกค่ะ<ฆ>สั่งชุดใหญ่แล้วมันก็นอนได้นะนอนหลับแบบไม่ต้องลุกนั่งกลางดึกอ่ะอืม อตอลุกนั่งเนี่ยคืนนึงลุกขั้นถึงสามครั้งก็มีนะอืมค่ะจ้าแล้วเดี๋ยวนี้อาการที่บอกว่าปวดหลังร้าวลงขาขวาเนี่ยยังเป็นอยู่บ้างไหมคะก็ยังเป็นอยู่อืมที่ที่ที่ดีคือว่าไม่ต้องลุกนั่งกลางคืนไงกลางคืนนอนได้ตลอดจแล้วก็ปวดหลังร้าวลงขาก็เริ่มดีขึ้นเบาตัวจ้า นะากาหลงเอ่ออยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ฟังไหมคะว่าเอ่อที่มีอาการแบบคุณน้าแล้วไม่กล้าสั่งอะ่ะคือฟังอะ่ะฟังมาเยอะแต่ไม่กล้าสั่งจะบอกอะไรกับเขาดีคะะ ก, ก็ก็อยากว่าให้ลองกินดูว่ามันมันช่วยได้ดีและมันไม่เป็นอันตรายนะมันจะกินแล้วมันก็มันทําให้เราตอนที่ว่าเยี่ยวเป็นสีอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราเยี่ยวใสนะ่ะอยากให้ลองกินกันดู คนที่ที่ปวดเป็นแบบนี้ค่ ะ, ะแล้วมองว่าราคาของมูลไบรท์เป็นยังไงพอได้ไหมก็มันไม่แพงนะถ้าคิดดีๆแล้วอะเพราะมันมีให้เราได้เยอะค่ ะ, ะอ๋อเรียกว่าคุ้มนะคะนี่ก็ยังแน้นบอกให้เขาใช้อยู่ตอนเพื่อนบ้านกันทางรายการมูลไบรท์ก็ต้องขอขอบคุณคุณกาหลงโพพัน์นะคะ ที่อยู่ตำบลโคกเดืออภอไผ่ษาลือจังหวัดนครสวรรค์เดิมก็คือมีอาการปวดหลังแล้วลงขากลางคืนนี่ต้องลุกมานั่งนอนไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้หายหมดแล้วนะคะดีขึ้นเยอะค่ะ ข, ขอบคุณมากค่ะคุณกาหลงค่ะสวัสดีค่ะหากท่านใดอยากป้องกันบรรเทาอาการปวดเมื่อยไม่ว่าจะเป็นปวดหัวเขา่าตัคริวนิ้วล็อกชามือชาเทา้ากระดูกทับเส้น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 ฟรีย้ำสั่งชุดน้ำมันมูลไรท์ชุดใหญ่รับของแถมฟรีชุดใหญ่เท่านั้นที่มีของแถม ความหมายครับเจ้าเจ้ามีความหมายต่ออ้เจ้าให้เขาหมดใจหมดกายอ้ก็ยอมตายให้เจ้าได้คือกันครองหักต้องคนโลตอนนี้โชคดีให้เป็นของเจ้าโชคร้ายไอ้สิรับเอาออ้บ่สมน้องก็คือว่า ปานใดเฮ็ดนี่ปานใดเจ้ากับบ่หัวซานั่งห้องนอนห้ยย่นสงสารใจเจ้าขอน้องบ่เคยมองยังสากกับบ่อยากกลยหักเจ้าลายหักเจ้าลายได้ยินบ่เป็นจังไดน้อความหักปานถึกกับดักหัดหัวใจ กับดักหักคน ได้สั่งสั่งหัวใจเจ้าขอดได้แต่กอดตัวเองไม่ยามเหงาเจ้าก็เขาเขาก็เจ้าคงบ่หาตั้งเจ้ากออยู่เทียงนาเบึงเขายางผ่านไปบ่แม่นมาวัดละกับบ่ได้ใจนางวันแฮห ปาดดเพิดดีปาดด้าเจ้ากับหัวสานั่งห้องนอนให้ย่อนสองสารใจเจา้าของน้องบอเคยมองเวลาของรายการมูลไร้พาเพลินได้หมดลงแล้วพบกันใหม่ในเวลาเดิมสําหรับวันนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะ